เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขาดื่มสุราพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปราบรพวกหญิงสหายของนางวิสาขาดังได้สดับมากุลบุตรห้าร้อยในพระนครสาวัตถีได้มอบภริยาของตนแก่นางวิสาขามหาอุบาสิกาด้วยมุ่งหมายว่ายอมประพฤติธรรมอยู่ด้วยความไม่ประมาท หญิงเหล่านี้เมื่อไปสวนก็ดีไปวิหารก็ดียอมไปกับนางวิสาขานั่นแหละคราวหนึ่งมีงานมหรสพเกี่ยวกับสุราเจ็ดวันหญิงทั้งหลายจัดเรียมสุราเพื่อสามีของตนของตนแม้หญิงเหล่านั้นก็ดื่มสุราที่เหลือเมื่อสามีไม่อยู่แล้วไปสู่นางวิสาขาและไปชมสวนออกไปพร้อมนางวิสาขาแอบซ่อนสุราไปด้วย ดื่มจนเมานางวิสาขาได้กล่าวเตือนแล้วแม้งานมหรสพเวียนมาอีกหญิงทั้งหลายก็กระทําเช่นนั้นอีกครั้งหลังชวนนางวิสาขาไปสู่วิหารนางคิดว่าเป็นการดีที่ไปสู่วิหารหญิงทั้งหลายแอบถือขวดสุราไปด้วยแล้วดื่มขณะนั่งฟังธรรมเทวดาตนหนึ่งได้เข้าสิงสรีระของหญิงเหล่านั้น ให้ปรบมือโห่เราะและฟ้อนตรงพระพักพระสาสดาในที่นี้เทวดาเป็นเทวปุตตมานเป็นเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐินับเนื่องในหมู่มานพระศาสดาทรงเปล่งพระรัศมีทันใดนั่นเองความมืดมนอนตะการได้มีแล้วญิงเหล่านั้นวาดวันอันมรณะภายคุกขามแล้วด้วยเหตุนั้น สุราในท้องของหญิงเหล่านั้นจึงสางคลายไปพระศาสดาทรงหายไปนับบัลลังก์ที่ประทับนั่งประทับยืนอยู่บนยอดเขาซินเนรุทรงเปลงพระรัศมีขณะนั้นแสงสว่างได้มีเหมือนพระจันทร์ขึ้นตั้งพันดวงลำดับนั้นทรงตรัสเรียกหญิงเหล่านั้นมาแล้วตรัสว่าพวกเธอเมื่อมาสำนักของเราประมาทแล้วมาหาควรไม่ เพราะความประมาทของพวกเธอนั่นเองเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่มารจึงได้ช่องให้พวกเธอทากายวิการมีหัวเราะเป็นต้นบัดนี้พวกเธอทาความอุตสาหะเพื่อมุ่งให้ไฟมีราคาเป็นต้นดับไปจึงควรดังนี้แล้วสงตรัสพระคถาว่าเมื่อโลกสันนิ ว, วาสอันไฟลุกโพลงอยู่เป็นนิดพวกเธอยังจะร่าเริงบันเทิงอะไรกัน เธอทั้งหลายอันความมืดปกคลุมแล้วใหญ่ไม่สแสวงหาประทีพคือแสงสว่างเล่าในเวลาจบเทศนาหญิงห้าร้อยตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลแล้วลำดับนั้นนางวิสาขาได้กราบทูลว่าพระเจ้าค่าขื้นชื่อว่าสุรานิเลวสามพระสะสดาทรงตรัสว่านั่นแหละวิสาขา ขึ้นชื่อว่าสุรานี้เลวสามแท้ชนอาศัยสุรานี้พินาศแล้วมากแล้วทรงตรัสอุปฏติเหตุแห่งสุราในกลุ่มพระชาดกแก่นางวิสาขาโดยพิสดารดังนี้แหละ